น่าสนใจนะ ว, ว่าภารกิจในช่วกเขาคือหนึ่งคนหาตัวเองแที่สองคือว่าสลายตัวตนให้หมดสิน้นคนหาตัวเองให้พบแล้วก็สลายตัวตนให้หมดสิน้น คนพูดนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นพูทหรือป่านะแต่ว่าก็สอดคล่องใกล้เคียงกับอแนวคิดทางพุทธศาสนามากเรื่องการค้นหาตัวเองอันนี้ก็พระเจ้าเคยจัดไว้เนะีตอนที่ตัดสินใใหม่ๆแล้วก็หลังจากที่จำมันสารแรก พอพัรษาเสร็จพระองก็เดินทางไปยังกรุงราชคฤห์เพราะว่ารับปากกับพระเจ้ามินวิ ษ, ษา์ว่าเมื่อพระองค์ตัดสรุปทมแล้วก็จะเสด็จไปโปรดระหว่างทางขณะพระองค์นั่งพักอยู่ก็มีชายหนุ่มประมาณสาสิบคน ผ่านมาแล้วก็ถ้าทางดูลึกๆลุก ล, กลนดูหน้าตาลึกหลักหรือว่ากำลังใส่มองหาอะไรบางอย่างอยู่ <c oughs> แล้วก็ถามมือหรือพรเจ้าก็ถามว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมาแถวนี้บ้างหรือเปล่าคือเรื่องของเรื่องคือว่าก่อนนั้นนี้ เขามีการเที่ยวกันนะสําเริงสําราญกันคงก็แค้ปิกนิกกันนะแล้วก็มีการชวนผู้หญิงไปเป็นไปร่วมสนุกด้วยแล้วผู้ชายคนนึ่งไม่มีคู่ก็เลยชวนผู้หญิงคนหนึ่งก็จะเป็นนางคณิ ก, กานี่ไปร่วมสนุกพอคนเหล่านี้เผล่นางคณิ ก, กานี่ก็ หยิบข้าของทรัพย์สมบัติของเป็นพวกเพชรนินจินดาเนี่ยแก้แหวนเงินทองหนีไปชายหนุ่มกูนี้พอรู้ก็ตามหาเลยมบอกผู้เจ้าไม่รู้เจอาเป็นใครเนะยก็ถามว่านั่นเห็นเพียงคนหนึ่งผ่านมาทงนี้บ้างไหมผู้เจ้ า, าทันทีก็ตอบว่าเห็นหรือไม่เห็นก็กลับตอบว่า ระหว่างการแสวงหาผู้หญิงกับการแสวงหาตัวเองอะไรจะดีกว่ากันพอได้อย่างงี้ชายหนุ่มทั้ง3าสบคนก็ชะงักเลยนะเพราะไม่เคยมีใครถามแบบนี้มาก่อนแล้วก็มันไม่เคยมีคำถามอยู่ในหัวเลยแสวงหาตัวเองมันมีได้หรอก็สนใจอยากรู้ พอฟังทำแต่ผู้เจ้าพิจารณาตามก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพรานาคามีบ้างก็คือก็คงจะค้นพบตัวเองนะ่นนะจากที่ได้ฟังทมในการสังหาตัวเอง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 ที่ตัวนะกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวเกิดความรู้ตัวขึ้นแต่ว่าการรู้จักตัวเองนี่หรือการแสวงหาตัวเองนี่มันมีความหมายนะมากไปกว่า น, นั้นมันไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าเออเรามีนิสัยอย่างไรเนี่ยเรามีความชอ้อยมีความถนัดอะไรเท่านั้นที่เพงแค่นี้ก็ยากแล้วนะเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้ เรียนจบมาอะไรยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรจบมาแล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะทํางานอะไรดีแม้กระทั่งคำว่าการนอกจากรู้จักตัวเองว่าตัวเองถนัดอะไรแล้วเนี่ยรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนี่ก็ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันคนรอนี่ ส่วนใหญ่นี่ไม่รู้ตัวเองต้องการอะไรนะแม้แต่เรื่องง่ายๆก็ไม่รู้ง่ายกว่าแต่มันเรื่องที่คนสนใจกนะันคือเรื่องการหาคู่แ้คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยคู่ที่ตัวเอต้องการเนี่ยคือใครมีลักษณะอย่างไร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 แต่ตอนหลังเนี่ยในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยการหาคู่ผ่านบริการออนไลน์ก็มีเยอะขึ้นคล้ายๆลุงข่าวหาหนวดนะั่นแต่ว่ามันให้ลุงหนวดหาคู่แต่ก่อนไทยแล้วมีมลุงหนวดหาคู่นะคนก็ใช้กันเยอะเมืองไทยนะแต่ว่า ทีนี้พอมีบริการออนไลน์นี่คนก็ใช้มากได้คู่ครองหรือว่าเจอแฟนก็จากคำแนะนำของหรือการหาคู่ของไอ้พวกบริการออนไลน์นี่แหละแล้วก็เพบาว่าคนที่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 ผมทองตาสีฟ้าอาชีพอะไรทำงานอะไรศาสนาอะไรเนี่ยเป็นต้นศาสนานี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็กรอกกรอกกรอกเสร็จแล้วก็เขาก็จะให้แนะนำคนนั้นคนนีนะ้บริการออนไลน์ก็จะแนะนำคนนั้นคนนี้แต่ปกฏว่าพอตกลงปลงใจว่าเออเนี่ยจะคบกับคนเนี้ย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 ก่อนห้านั้นนราไม่รู้ต่อมาได้เห็นกับตาอย่งคุณรัโอ้เนี่ยใช่คือสิ่งที่เราชอบมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจเลือกคู่เท่านั้นนะเรื่องอื่นก็เหมือนกันีจริงสตีฟจ็อบเคยบอกไว้นะครับคนเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าตัวเองต้องการ ipad เนะ จนกระทั่งได้มาเห็นไ p a พแ ล, ล้วถึงรู้ว่าใช่นี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงอันนี้เขาก็พูดเป็นข้อคิดแลวพูดเล่นก็ไม่รู้นะแต่ว่าในหลายในช่งผู้คนส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างนี้นะมีหลายคนมาสุขโตมาผู้หลงเนี่ยประโยคแรกที่พูดที่พูดกับผมก็คือโอ้ที่นี่สงบนะแล้วก็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 ไม่รู้หรือว่าไม่ไม่ชัดเจนมันก็แสดงว่าจริงๆแล้วคนเรานี้ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรมารู้ก็ต่อเมื่อได้มาเจอมันต่อหน้า ต, ตาตาโดยได้สัมผัสหรือบางทีมารู้ก็ต่อเมื่อมันไปไกลแล้ว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 นักเขียนอเมริกันเขียนไว้ว่าสศกนาฏกรรมมาชีว์คือการที่คนเราเนี่ยตกปรามาทั้งชีวิตแล้วก็พบว่าไอ้ปลาที่ตกนี่มันไม่ใช่ปลาที่เราต้องการสางหาเงินทองนะดิ้นรนตอบสู้เพื่อให้ได้ชื่อเสียงได้ให้ได้ตำแหน่งสูงสูงนะทำลายผู้คนนะ เพือได้สิ่งนั้นมาเสร็จ แ, แล้วก็พบว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการเลยได้มาแล้วก็ไม่ได้มีความสุขได้มาแล้วก็ไม่ได้พอใจอันนี้อย่างที่โชว ร, ารวาสกหนาฏกรรมของชีวิตนะบางคนก็จตายแล้วก็เสียใจว่าไม่ได้ทำหลายอย่าง บางคนก็บอกเนี่ยมันมีเขาเคยสอบถามความคิดเห็นความรู้สึกของคนใกล้ตายในอเมริกาเ็บอกเนี่ยสิ่งที่คนรู้สึกเสียใจนะมากที่สุดคือการที่ไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะหรือว่าไม่มีเวลาที่จะให้กับ คนรักเพื่อนฝูงมิสหายครอบครัวคือพอใกล้ตาย ต, ายต้องถึงขั้นมร่วงเนี่ยนี่คือสิ่งเราต้องการแต่ก็ม่มีไม่มีเวลาล้วทาไม่ได้ทําละวก็เสียใจอั่นแปลได้ว่าเราคนร่วงไม่รู้เราต้องการอะไรเนี่ยสำคัญเพียงแค่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรอย่างแท้จริงนี่มันก็ เป็นคำตอบที่ช่วยได้เยอะแล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าตึงต้องการอะไรในชีวิตไอ้ที่คิดว่าตึงต้องการที่มันอยู่ในความคิดเนี่อาจจะไม่ใช่ส่วก็ไปตามกระแสะเรียนคณะนั้นคณะนี้มาวทยานั้นมาวท่าลัยนี้นก็เพราะว่ากระแสะกระแสะนิยมของสังคมหรือว่าเพื่อนชวนเพื่อนชวนก็ไปเราสังคมนิยมกระแสะสังคมนิยมว่าอย่างนี้ ดีเรียนนิเทศศาสตร์เรียนธุรกิจนะดีเรียนหมอวิศวะนี่ยมันก็มีบางคนนะที่รู้ว่าตัวไม่ชอบแต่ก็จาใจเรียนก็มีอย่างเช่นมีลูกเพื่อนคนหนึ่งก็เรียนหมอเรียนจนจบแล้วพอจบแล้วก็ไม่เป็นหมอนะไปเป็นช่างกล้องอิสระบอกว่าเนี่ยที่เรียนหมอก็เพราะว่า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 อาจจะลงเอยใการอยู่กับที่แล้วก็อาจจะหันมาปลูกสวนทำเกษตรอินทรีย์ก็ได้หรือว่าตัดสินใจบวชก็ได้ก็เหมือ น, นหลายคนนั้นเดินทางแสวงหาแสวงหาข้ามน้ำข้ามทะเลมาหลายประเทศ เชิงทางมาเจอนักบวชเจอนักบวชในอินเดียเ จ, เจอพระในเมืองไทยหรือว่าเจ อ, อพระในญี่ปุ่นก็ส่อนนี่คือสิ่งที่ทเราต้องการจริงมีฝรั่งหลายคนก็ไปบวชนะบวชเป็นพระ ในเมืองไทยหรือว่าบวชเป็นบวชพระในญี่ปุ่นคนเรานี้ก่อนตอนที่เดินทางมาก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรจากว่าได้เจอวัดทีส่สงบเจอนักบวที่สุ ข, ขุมสำรวมก็เกิดความประทับใจอันนี้ก็มีเยอะนะพระสายหลวงพ่อชาพระฝรั่งหลายรูปนก็ ชีพเปลี่ยนแปลงก็เพราะนี้นะเพราะได้มาเจอเจอวัดเจอพระเจอหลวงพ่อก็อเกิดความสุเออเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการให้การเดินทางก็ช่วยนะการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลหรือการเดินทางท่องเที่ยวก็ทำให้เกิดส ก, กิจใจขึ้นมาว่ารู้ว่าตัวเองต้องการอะไร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 เทวทูตสามนิมิตสี่นะเทวทูตสามคือคนแก่คนเจ็บคนตายส่วน น, นักบวนี่ไม่ใช่เทวทูตนะเป็นนิมิตอย่างหนึง่งเป็นเครื่องเตือนใจพอเห็นก็เกิดคำถามในชีวิตนะเจอคนแก่คนเจ็บคนตายสุนี่ไม่ สงสัยนี่การที่เราอยู่ในประสาทสามหลังนี่มันสามฤดูนี่มันใช่หรือจะไปเจอนักบวชนี่ก็ก็รูสวนเนี่ยคงจะเป็นคําตอบที่เราต้องการนะถ้าไม่เจอก็คงไม่ไม่ไม่รู้ตัวเองต้องการอะไรสุดท้ายเนี่ยเอรเราต้องการการพ้นทุกขนะ์ก็เลย เส็จออกบวนการรู้ว่าตัวต้องการอะไรเนี่ยมันก็เกิดจากการคร่ควรภายในการใค่ควรภายในสมาธิภาวนานนการปฏิบัติธรรมก็ถ้าทำถูก้วก็ทำให้เรารู้นะว่าเราต้องการอะไร แต่ว่าสิ่งที่รู้ไปกั น, น่าคือว่ารู้ว่าเราเป็นใครหรือเราเป็นอะไรพอศึกษาไปศึกษาไปใครควรหรือว่าเพียงพินิดเจริญสติดูกายดูใจดูไปดูไปก็พบความริงว่าอ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 คือจากเดิมที่รู้วเออเราเป็นใครเราชอบอะไรเราต้องการอะไรอะไรคือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตแต่สุดท้ายก็บอกพบความจริงว่าโอ้แม้กระทั่งตัวเรารตัวกูนี่มันก็เป็นมายามันไม่ได้มีจริงเลยนั่นคือเห็นความจริงเรื่องอนัตตาไม่มีตัวตนไอ้ที่มีก็เป็นแค่การกักใจแล้วก็อยู่แค่ชั่วคราว แล้วก็ยึดเอามาเป็นราเป็นของเราไม่ได้เลยแม้แต่น้อยพอเห็นสภาวะเห็นอนัตตภาวะเห็นภาวะความเป็นหน้ตาตาคือก็พบว่า้ตัวกูไม่มีาการรู้จักตัวอย่างที่เสนคือการเพราะว่าตัวกูไม่มีนอันนี้จะเรียกว่าสลายตัวตนก็ได้หรือว่าละตัวตนก็ได้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 หรือการยึดมั่นในความเชื่อว่ามีตัวตนตวนะอตตวาทุปาทานวาท้าว่ามีตัวตนเความยึดมั่นในวาทะหรือความเชื่อว่ามีตัวตนอันนี้เรียกว่าอตตวะทุปาทานเราก็เรียกสัรสาว่าความยึดมั่นในตัวตนนี่พอเห็นความจริงอเมื่อ เมื่อมองตนอย่างลึกซึ้งนะโดยกระบวนการวิปัสสนาก็จะพบว่ามันไม่มีตัวกูอยู่เลยอันนี้เลยเป็นสุดยอดการเป็นตัวเองเป็นสุดยอดการรู้จักตัวเองหรือรู้แล้วพบว่าไม่มีตัวกูมันเรียกว่าไอ้ตัวกูสลายไป แต่ตรงนี้แหละมันเป็นที่สุดแห่งความแห่งการการถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ทัื่อพ้นทุกข์ทำความพ้นทุกข์ให้ปรากฏขึ้นได้ทาชะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ก็เพราะว่าไม่มีตัวเราเนยมันมีทุกข์ก็จริงแต่มไม่มีผู้ทุกข์ มันมีทุกแต่ไม่มีพูดทุกอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าทุกเนี่ยเท่านั้นที่มีอยู่ที่ทุกเท่นั้นที่ดับไปไม่มีแล้วมากกว่านนั้นมันมีแต่ทุกและการดับทุกนั่นแต่ไม่มีไม่มีพูดทุกพอเห็นความจริงว่ามันไม่มีพูดทุกมัไม่มีเราทุกนะก็จบนะ มีปัญหาคือว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังมีความยึตมันว่ามีเรามีมีเรามีกูอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีทุกข์เทนั้นก็เลยมีมีกูพูดทุกข์ด้วยนะถ้าเห็นถึงที่สุดว่าตัวกูนี่เป็นแค่มายามันมันก็นักเล่นกลนที่เล่นกลได้เก่งมากนะจนเราเชื่อนะหลวงพ่อมเกตนะเขาพูดอยู่เสมอนะไอ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 เรียกว่าความความไอตัวโกยมันสิ่งที่เจตปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็หลอกให้เชื่อให้หลงถ อ, อยเห็นความจริงว่ามันไม่มีก็จบอันนี่เราเป็นสุ ด, ดยอดของการค้นพบตัวเองเพราะใจริงเนี่ยที่ที่นักที่คนหนึ่งก็พูดว่าเนี่ยภารก่งเขาคือการค้นพบตัวเองกับการสลายตัวตนนี่ ที่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันนะข้อแรกข้อที่สองเนี่ยคือถ้าค้นพบตัวเองได้อย่างที่สุดมันก็มันก็มันก็พบว่ามันมีตัวตนตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าไปก็ไม่ต้องสลายอะไรเลยนะแค่เห็นความจริงก็มันก็จบแล้วให้พวกเราทุกอย่างก็ยังอยู่ในช่วงการแสวงหานียังต้องแสวงหายังต้องค้นหาตัวเองให้พบยังต้องทําความรู้จักกับตัวเอง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 รู้กาย ร, รู้ใจในปัจจุบันขนาดนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากเป็นประตูเลยการรู้กาย ร, รู้ใจแต่ละในปัจจุบันขณะรู้ใจตอนนี้กำลังมีความโกรธมีความเบือ่อหรือว่าจิตกำลังแก่มสายเบิกบานรู้อาการของใจในแต่ละขนาแต่ละขนา นะกายทําอะไรก็รู้มันมีเวทนาเกิดขึ้นก็รู้สักแต่ว่ารู้นะไม่เข้าไปเป็นนะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่มีทางจะรู้จะเห็นอะไรก็ต้องออกมาโยงห่างออกมามองมันห่างๆเนะข้าไปข้างในว่าไม่เป็นไม่เห็นอะไรอยู่ในศาลานี้ก็จะไม่รู้จักรูปทรงของสาเหรตศาลาเนี่ยจนกว่าจะออกไปข้างนอก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 คนที่อยู่ข้างนอกก็จะเห็นเห็นได้ชัดรู้ว่าใครเป็นต่อโคอ้ชฟุตบอล ก, ก็ต้องออกมาอยู่นอกออกมาอยู่ข้างนอกดูเขาถึงจะรู้ว่าเกมเป็นอย่างไรจะรู้ชัดก็ต้องออกมาออกมาดูอยู่ข้างนอกไม่ใช่เข้าไปเป็นกายและใจเหมือนกันอจะรู้ชัดมันก็ต้องออกมาคือเห็นนะ